เรียกว่าการดําราดให้ใจม่เห็นทางความเปนจริงร่างกายของเราเรารู้ว่าส่วนไหนมันะอาดส่วนไหนม่สกปรถ้าเรารู้ร่างกายของเราเาก็รู้ร่างกายทีคนนด้วยที่ให้ทิจรนาแบบนีงก็เพื่อเป็นการฝึกทางมรรคผลหรือความพอใจในกวามมรค เพ่อลงไหลฝ่ฝันว่ามันเปของีของเกดแต่ความจมันเป็นข อ, ส, อสุครกโศกโซกหน้าเกล็ดเพราะหลายใจมันไปสขม า, า, ส า, า, ส า, าที่เจริามกาลาใจของเราว่าเที่ยวโกรธที่จะบวชจะหันจะบ้านสมเด็จทำให้เขาลำบากบา้างทำให้เขาถึงยความตายา บ, บา้างท่านี้มันมอะไรเี่ประโยชน์เพราะ่คนทุกคนเ ก, ก, ก, กิดมาแล้วมีโชค ถ้าเราไม่สั่งแก้งเขาเขาก็มีทุกข์เราไปสั่งแก้งเขามันเพิ่มทุกข์ราคือกำลังใจที่ิจะทำลายให้เขามีทุกข์ในจิตใจเราไม่น ส, นสบายคนอเราคนเราเกิด ม, มาทุกคนร่างกายทุกคนทุกคนเราจะตะโกนแล้วก็หนึ่งอ น, นิจจังหาความเที่ยงไม่ได้องทุกข์เขาในขณะที่ตัวอยู่ก็ไม่ได้วามทุกข์ ไม่ได้สามารถรับตายในอดีตต้องตายเหมือนกันเมื่อคนที่คนมีรายตายไม่เสี่ยงมีความทุกข์และต้องตายในอดีตคนที่เราจะคิดสร้างใจปันฝนาเป็นประตูกับเขาคิดทาลายร่างเขาซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์เราฆ่าเขาได้เขาอาจจะตายแต่ว่าเขาตายไปแล้วเราจะมีุกและมีทุกข์ เราก็หาความสุเไม่ได้เราหลบไคเพว่อประโยชง์เราเราเป็นคนร้ายเมื่อไรที่สุดเราก็ต้องตายเพรฉะนั่นประโยชน์ทางกายคิดที่ระหัสทหารแสิงัาผรในกายคิที่เป็นสัจโจไม่คนรมีสาหรับเราเราจะมีกำลังใจเมตตาความรักไหมก็ฝึกพันในความรักแต่ความรักมันจะไม่ไปในจักรวาลของ คิดด <se> ูว <welche ăn? S 1> ่าคนแดสัตว์จะเป็นมิตรดีสําหรับเราคนเลนสัตว์จะต้องเิยฉาแต่จะตายสําหรับเราเราไม่หวังเป็นศัตรูสำหรับเขาเพราะเขาจะคิดใจศัตรูกับเราเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครน้่มใจเพราะเราประขอสพุทเวตาที่รขึ้นร่วมโลกทั้งหมดเป็นมิตรดีสําหรับเรา ถ้าเราคิดเคสองเราคิดว่าเรามีความสงสารส า, รสารไไน็นาและเสืคนคนส่อโค้นโครัพททั้งหมดไม่ว่าจะมีลัทธิใดาศาดสนายาๆเชื่อชาตหลๆขอาพันไปก็ตามถ้าเรามีการเพียรส้เคราะห์ได้เราก็พยายามสงเคราะห์ให้มีความสุขที่อันหนึ่งอารมใจของเราจะไม่ทิท้งทรายทียาเพื่อนมอเพื่อนไดดี เราจะต่อยินดีกับความดีว่าเขาด้วยแทนที่เราจะหารับรองต้นเหตุว่าทําไมเขาถึงดีก็ความดีกับเขาอย่างนั้นเพราะอะไรที่เกิดเราก็หาเกิดไม่พบวิธียามปฏิบัติทางความดีที่เขาได้รักเราก็จะดีด้วยเป็นการดีดีจุดจิตตั้าไว้ในเดชขาคือความว่างเฉย สันหมายความว่าคนรี่ความดีเพราะเราไม่ปรากดตาเขาวก็ดีหรือเชนว่าสหตการณ์อะไรงเหลือที่มันจะปรากฏปกติธรรมดาจีไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้กรรมอย่างนั้นด้เกิดคือกับเราเราจะไม่ตัดเยื่อใจถือว่าเป็นธรรมดากับชาวโลกชาวโลกทั้งหมดที่เขามีอะไรบ้างทือกระทั่งเรื่งความแกรร้งความโหยร้งความตาย สี่การสักผ้าจะของรับคล้องชอบใจเพือให้ความสุขเพื่อความพุ่งพิมเกิดกับใจหกนินทาและสันเริญส่วทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเราจะทาใจวาเฉยไม่สินถือว่ามันจะเรื่องธรรมดาล้วเกิดมาแค่ตายเี่ยวกับหลายเรื่นี้เป็นของธรรมดาเขาเกิด เกิดมาแล้วมหลกเนี่ยการอยางนี้ไม่ได้แต่เานี้มาเกิดขึ้นบาควรวาเฉยไม่ดีใจหรือไม่เสียใจในเมื่อของคนอื่นเมี่อการอยางนั้นเกิดขึ้นแล้วก็าทันใจเราให้สัมบายนการอยางนั้นจะปกติเราถ้าจิตใจของเวดาท่าพุทธบริสัทธตรงได้อย่างนี้ตอนสมเ็จรสัมมาสัมพจาทัว่าทุกท่านเป็นสานาคามีผล แมว่าผลในการปฏิบัติกรรมฐานสำเร็จเขาูมีพระพาเจ้าไม่ใร่ขงการเพียงเท่านั้นต้องการอย่างเดียวให้ต้องการผลที่สุดคือการละขันฆ่าเพื่อหวังพ้นข่ายการละทันฆ่านี้ต้องจุดก็เคยละให้อัญญาที่เป็นลายทางความเป็นจริงที่สุดก็ตามวิญญาณมุไุลเจ้าพระเจ้าในสัตว์วันหนึ่งทุก สองสมุทัยสามนิโรธสีมรรคให้ทเวานดูได้ใายองเราว่าตัิมาจนก่งถึงวันตายเม่วันนี้เราเคยมีความสุขิบาใจเราเคยสบายที่ไม่มีอรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทุกข์ทั่งเลยมีไหมกใจงานที่เราจไม่ต้องทำแต่แว้งหายขีดดึงขึนประกอบ ต้องคิดให้ตัวอยู่มีไหมที่เราไม่ต้องทาเป็นอันวะาไม่มีเขาต้องมีงานเป็นประจำการกดอการะการปวดตับเสลระการปยดไข้ไม่สบายการรัท่กระช้างอารมณ์ที่ไม่สูกใจไม่เคยมีอารมณ์บ้างไหมเป็นอันว่าคนทั้งหลายนี้ไม่ปลอดจากอารมณ์ติดตัเราเราจะต้องับทึกตัวเตือที่มันเกิดขึ้น คือชอบไม่คือไม่สบายใจไม่สบายใจเสมออย่างนี้ก็กายเป็นทุกข์เมื่อความแสบเข้ามาถึงใ้ก็ค่คยเงยใจไม่ต้อตัวมีมาทนางกายทุกลายก็เป็นทุกข์เ้ื่ความเตลที่ไม่สบายเกิดขึ้นม่ก็เป็นทุกข์เวลาที่ทับซ้อนจากของรักของของทอดใจที่เระวางไม่ได้ใจมันก็เป็นทุกข์ ความังไปทำ่ามีความทุกข์้นมาแต่ใช่เพรว่ามันทุกตลอดเวลาดันั้นองคสมดจระามาสมเจาจะแนะนาให้เราเลื่องความทุกข์เสียเือที่เลื่อนเาเกจิตเามรักนักเสความเป็นจริงเพราะเาติวิธุขาความเปิดเป็นทุกข์เวลาวิธุขาความแปรเป็นทุกข์ มันนาในี้ก็ขั้งสวารคตายทุกครั้งเวามมันดื้อขั้นเป็นทุกข์เมื่อทุกเรื่้งทุกอย่างมันเด็ทุกข์มันทุกข์จากอะไรทุกข์ก็เรามีขันธ์หาคือร่างกายถ้าเราไม่มีขันธ์ห้าที่ยางเดียวอะไรมันจะมาทุกข์ความแก่กายมันแก่ความปวยกายมันปวยความตายกายมันตาย ถ้าความเจ็บใจใจมันไม่แสร่างกายมันป่วยใจมันไม่ป่วยร่างกายมันตายใจไม่ตายเพรใจกับกายไม่ได้เปลียนเดียวกันเราไม่ขอแยกกันทั้งได้ตายและเกิดไดเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเวลาไปเกิดเป็นลมร่างกายเดินไม่ได้ไปด้วยเราทิ้งร่างกายไปไม่ได้ไปเกิดใหม่ ไม่ดีแน่ได้ใจสั่งใจไม่คนละคนแล้วความรพื่เรื่องความชั่วก็ต้องตัดปัญหาด้ยความยากอยากรักสวยรัางามอยากได้ของสวยขงามตรงนี้ชายจริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามสวยงามไปเลเดียวก็มีแต่ความร้องรวยอยากโลภอยากได้สิ่งของคนอื่น จะได้มาโดยไม่ตองทำยากระตยาที่ฆ่าเปลี่ยน่ามนเีงนีความหลงสิดที่ร่ากายมันจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยมันจะไม่แสมันจะไม่ป่วยมันจะไม่ตายถ้าเปงค์การยาทีวนี้เสียเอาพิชเวยอมรับสักเที่ยงก็า้องการดีที่มันส่วนใหญทั้งคนในสักเีามสี่คนน้เป็น แล้วก็มีความแก่ติดตามมามีความปวดใข้ไม่สมายตามมามีการพัฒนขอยักางของเสียใจติดตามมาแล้ก็มีความตายในทีสุดเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้ต้องการพัฒนาเนี่ยมันการทียจัดความอยากชนิดนั้นองค์สุรเสมาเจ้ากขะวว่าต้องใช้มักแต่ มีสมาธิสุขภารสมาธิสมาธิสุขภาริยสถานลักฝ่ายที่อป็นลมหายใจสามคือสินสมาธิปัญญาขั้แรกต้องสินอริสุทธิ์สีนอริสุทธิ์ก็ต้งริสุทธิ์ทุกวันไม่ใช่จะเสาะเวลาปฏิบัติธรรมต้องสินอยู่ตลอดเวลาธ้รมะจะลักสินได้บุกเอง สร ah <Yes. S 1> ้าวาสมาธิตัวอจิตตร้างรงว่าอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งึ่งลึกถึงความดีเขาพระพุทธเจ้าก็ดีจือความดีเขาคุณถึงความดีเขาพระพุทธเจ้าบนดีคุณวนาว่าุทโธให้ใ่ความดีวานลมปะทะเพราะอัที่เราทำภาวนาวันละมาคะทะกได้คุณจะาหาความจรของึ้นาก็ตามใจ ให้ใจมันตั้าอยู่ในความดีเราจะโตใหญ่ยิ่งแล้ว ค, คิดถึงคังท่าในร่างกา ย, ายแต่กายเราก็ดีร่างกายของคนเองก็ดีไม่มีสภาพตรงตัวมันแสบลงไปทุกวัยมันเป็นไม่ได้ความสประกอบมันก็ต้องไป้างอารมที่ม่นชอบใจแต่การอย่างนี้เป็นสภาพของความทุกข์ไม่ใความสุขเพราะไม่มีความตับณาในมัน วิญญาณปัจจาระความรับในระหว่างเพศโ่ยการเจรนญในระยะกายสุขุพุกจะมีความเสื่อมไปและตายในที่สุดวิญญาณสัตว์ความโลกโจริายสุขกจะสื่อสารให้ทานวิญญาณสัตว์ความโสดเจริญในไม่สามระลือ ยานตัดความหลงอิริาร่างกายของคนละัตวนีมีความเกิดขึ้นในบ้อง้มีความแกไปในทงกลารมีความสลายตัวไปในวิปุตตัว่าฆราจริตขอาเราไม่มีความปัวพันในร่างกายของเราคิดว่าม่ไจะแปเมาหลายประชัไม่นจะตายมาหลารประช่นเาะว่าพันดาของมันเป็นอย่างนั้น แล้วก็มีจิเลยวพันในร่างกายขาคนอื่นในร่หงกายสวยสดสนยงามในร่างกายเขาแต่คนเกิดมาด้ความสุขสบให้โลภาพันเกิดเกิดในปกติไรทสุดตายแล้วจิตใจของเราเขาไม่มีความปวดพันในในทัสมบัติรไม่ทับสมบัติทั้งหลายเพระว่าทัาสมบัติทั้งหลายในโลกนีตายแล้วมีใครําไปได้ก็มีชีวิตอยู่ก็หาจิตโดยก็ทำพระยาเชื่อไปชองตัว พอที่เวลาที่มันจะตา ย, ายก็เสินตายไปตามมัิยาสายใจสบายแล้วก็ตัดทิ้งใจไ่าเพื่เชื่อว่าพันห้าเื้อร่างกายจะเต็มได้วยความสงบร่มมีความไม่เพียงเป็นทุกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกเรื่องที่เราต้องาาตายก็คือพิริาาายานแล้วทางการไปพิริยานั่นก็ได้จา่การลดปลุกกานในพันห้าเื้อร่างกาย เราจะปยก็ภาวะสันห้าเสาร่างกายเสียมันอยากแสบๆก็เชิญแกก็ห้ามไม่ได้มันยากปวก็เชิญปวดก็เราห้ามไม่ได้มันอยากจะตายก็เชิญตายก็เาห้ามไม่ได้คิดใจอะไรมีสักมีเอาเป็นปกติก็ความแกบเข้ามาถึงเราเข้ามาถูกามปวดไข้ไม่สบายเข้ามาถึงแล้วก็ไมาถก รางตายยิเข้ามาเสแล้วก็หมาทุกข์ร่างายที่เต็มไปด้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรรัย์ถ้ามีกายโกโปกันนี้เป็นที่เัองเกิดของเราทใจกไม่โมแบบนี้เป็นแล้ว่ากายจะไดก็ทำมถามนี่สองอย่างมีอารมณ์เสมอันที่มีจิสร้างไว้เฉพาะพนิพพายแล้วเมื่อกิดันธ์ขเป็นอารมณ์จก็ท่านีปฏิบัติตนมโนวิถี คมลุดปที่เกิดมาแรงกายเห็นต้องสร้างวารส่งผลแล้วก็ท่างใจรักษาอารมณ์ให้ตรงตัวให้คำภาวนาวนาบัคิภะช่วยรักษาอารมณ์จิดไว้สำหรับท่านมีปฏิบัติกรรมฐานปกติให้คำภาวนาว่าพุทโธชู้ยลมหายใจท่องออกสาหรับลมหใจท่องออกให้ทรงอยู่เวลาที่จะแก้ดูการสักถามในการสักต้อมาราคุ้มลดลายธรรมปุถุวาย แค่ถือว่าการถามคนไดคนหนึ่งให้ทุกท่านถือว่าถามเราด้วยไปตามถามกันทุกคนละ ไ, ได้ถ้าท่านแนะนำยังไงก็ขอถือว่าแนะนาเราด้วยเอาจิตคิดจะทำนั้ น, เ, น, นเวลาสุขทักสุขถามอีตอนเวลานั้นเดีอยววัดต่อที่นี่ไปจะเริ่มทากันทักสักถามคอนแรนขอขอนุญาตท่าน ท, าทานุกบริษัททัานอยู่ที่ ว, ทวันดาานารายณ์ที่เทาียน รวบรวมกาลังใจคอยรับฟ like anyway, ังคำถามรับฟังคำแนะนำเ้าแนะนำแบบไหนที่เป็นราบิตามนั้นรับคาถามยังไงใจเราไม่ตอบไปตามเขาบอกมาลองไปคกลแปลว่าเมริดหายใจอัับแรกไปคิดว่าเรามีแค่รองปิดชุดตามแต่หากว่ามีร์งึ้นแข็งจริงจริงอารมณ์นั้นแหละมันไม่อารมณ์เป็นคิด เพื่อสมาธิทรงเดีวิพันายานแจ่มใสเราก็จะทราบว่ากาลังใจที่เราต้องเที่ยวไปในโคตรต่างๆไรเงินเราต่อที่นี้ไปเพราะมันาใจจิบริสัทธ์ใจหยิ่งใจใส่จดอารมณ์จิตให้ใหม่ตหอดรน้นลภใจเข้าได้ออกใช้คำภาวาและภวนาวิปัสสนาทาอุปัฏฐัยโดยขระยะเวลาปลอดกันเสียอเสียงขึ้นงสมองเรียนพร้ทุกท่านใ้ พยายามสร้างใจทรงสมาธิมันจะกำจัดสิ um ่งกำายใจว่าขันห้าทั้เหล่านี้จะไม่มีเสื่อตาต่อไปขึ่นเสื่อการเชิงขันห้าที่เป็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจนในทางสังเกตีขันห้าอย่างนี้ไม่เป็นที่ปรารถนาสาหรับใจที่เราสร้างการจริงจังนั่นก็คือวิภัยสาถ้าตนี้ตายคุณได้จะสุดมริคเทื่อสัจจะทุกขทั้ง สุดทกแล้วก็เดเป็นาต้ใจพวนาพาวาอมทะหรือว่าจะเปนดาษ่ก็ได้ตามวิทยาไาสตร์นะระวังเพื่อนี้วระมัดรวังหน่อยนะถ้าจะไม่เกิดต้างหน้าก็ต้องยายตัวเพื่อวางรูดตากขันถ้าจะเพื่อวางรูดตาขันลงไปทำลายกระืุนท่านลงเวที เรานั้ต้องลองให้ดีเนะยของสงของสงเลือสของชาวด้านเราจะทราบถึงการเสียหายที่มันไม่ใช่จิตที่ป็นทำแบบนั้นบางทีเห็นบางท่านไม่เอาโต๊กกับกระดาษที่เลยใช้ใช้ที่หน้าแต่ว่าเอาโตจุดแล้วก็บางไว้ปากขันการเิ้ใส่โต๊ะลงมามาทำลายตะเพิ่นตะเพิ่นเป็นกระฐานีช่ทีด้วยเพื่ของสง ของ่งเล็กเนี่ยกลงเวทีที่การเรียนในกรรมฐานแค่นี้จะเสื่อมถอยกลงเวทีไปตอนนี้ไปก่ฟังคํานน้าเสียน้อยอันลำแรกตอนนี้เขายังหลายจะภาวนาแล้วก็จงจำไม่ได้นว่าการปฏิบัติแบบนี้เขารียกว่ามโนเวทีคาว่ามโนเวทีนี่เป็นอสุจยา การฝึกกัปญญาตามปุญปีแล้วไม่ใช่ของง่ายเลยเป่งของหนักแต่ว่าความจริงถ้าเราตั้งกําลังใจเูกมันก็ไม่หนักหนักหรือไม่หนักอยู่ที่กำลังใจของเราคาว่าบา ร, รมีนี่ก็แปลว่ากําลังใจเพบารมี ถ, ถ้ามีกําลังใจเป็นท่านชื่อว่าเป็นผู้มีบา ร, รมีจริง จะนั้นการเจริญวัฏมะฐานโยที่กำลังใจอย่างเดียวถ้าเรายังโโหชีวิตคิดว่าชีวิตมีความหมายยังกลัวตายการเจริญะัรฏะฐานไม่มีผลนี่เป็นการหนึ่งเป็นข้อแรกก็ต้องดูดตัวอย่างองค์ ส, สมเด็จตัตมาสมพุ็จเจ้าท่านเป็นครูของเรา ท่านบรนรลุ อ, อะไรผลอะไรเราต้องทำกำลังใจทางนั้นกำลังใจของพระเจ้าในตอนแรกที่เอาขัวมหาที่เมสกรมตรงตัดสินว่าไทยละความรักให้คู่ครองละความโลภคือความมีภัตถิละความโกรธแม้จะมีประตูอยที่ไหน นั่นละความหลงที่คิดว่าความเป็นกษัตริย์จะมีความยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโตกโซซ้าพระอิศวรวันตําแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิมาถึงแต่เห็นด้านลัคีโอคนเดชสุญญสีเมื่อเป็นสวายพระทรงตาดสินบัไทยเมื่อความเป็นจักรพรรดิไม่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เคยแปรพรยามัจุราช คนที่เป็นเจ้าพัดก็ต้องตายตกตัภแยอันหน่อยพระเจ้าข้าเขม่ยอมมาสุราชเป็นเหตุที่เวียนว่ายตายเกิดใ น, ว, น ว, วัดตานมีอารมณ์แรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรณีออกมาห า, าที่เลสตรมส่งตับฉินว่าตายแบบนี้ ในการที no ่เราเจริญเปนกรรมฐานก็่เจริญรอยตามพระยุคุนบ่ายพระโอษฐผลิตตระหมาพระพุทธเจ้าขับแรกก็ต้องจัดอารมแบบนี้มนกันแล้วก็บริการที่สองหลังจากที่สำเร็จออกแล้วโอสมเด็จสัพพีเต่าก็มีพระกาลังใจที่ยิ่งเป็นกเศษ ต้องศึกษ allora. าในขณะของการทางกายโดยเฉพาะอย่างที่ความนิยมในการทรมันทระมันกายตรงต้นแบบกาไตาก็ทรงพระมันกายจิิงกับคนใดๆทั้งหมดถึงกับพูกขอมเอื้อมลูกจะมีขนข้างตัวตนก็ลดสร้างกายจะเป็นไปไหนก็ควรจะลง ที่แสดงว่าองค์ต้องการการบรรลุพิเศษสัมมาสัมพุทธิญานยิ่งกว่าความต้องการชีวิตเราก็ต้อคิดว่าในเมื่อองค์สำเร็จโดสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำว่าที่แบบนั้นยังมีโตไม่เห็นได้ยึดเพียงใดการเจริญระธรญาทางของเราเรคิดว่าเราไม่ต้องการชีวิตความเป็นเลย ให้สภาวะด้นกายความเป็นอยู่ของเรามาเต็มไปด้วความทุกข์ถ้าคิดว่าสมบัติเมยสร้างความสุขก็ท่องถูกรูปธรรมชาตในเมื่อพระองค์เป็นสมาหายรัตษาถ้าตำแหน่งจะกระพับจะสมาธิเป็นผู้คลองโลกทั้งบมดถ้าเสด็จไปเราจะมาสู่ขั้วขึ้ม่ต้องกาง เมื่อวันที่เสด็จออกนั่นก็เป็นวันที่พันนมพิมพาทรงทอดพระราชโอรสคือพระราบสุทรทรงตัดว่าเว่าสดตังเี่วร่งหลวงโลกพ่อรากกเป็นแล้วองสมเด็จพระทธ่าแผวเขางตัดตัดทั้งโลกตัดทั้งเมียตัดทั้งข้อตัดทั้งแม่ตัดเั้าัดเชิงตัดเตัดสีด้วยความเปใหญ่ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการอย่างเดียวคือโมกะธรรมนละเราทำเป็นเครื่องพ้นจากความตายท่านี้ต้องาจวัมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยถ้ามีเนนั้นผลมันก็ไม่เกิดหลังจากนั้นามาวันที่บรรลุอเิยสตร์สมาธิโพธิญาณเราเด็ดพระวิชิตารรมานทรงนั่งอยู่ที่คนโค องต่างจะเป็นลิขานว่าถ้าหากว่าเราไม่บริอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเสียงใดเราจะไม่ยอมลดจากที่นีที่แม่เลือดที่เมื่อจะเกิดแฉ่งไปประทานชีวิตจริงจรัสตัดสายเข้าตามเราจะไม่ยอมลดนี่เลยนว่าการที่พระองค์ทรงบรุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ต้องเด็่อพิชิตรทรงตัดความ่วงใยอะไรทั้งหมดในชีวิตก็ดีภาพสิงก็ดีอกคนที่เล้ยต้องคนก็ดีต้องเดเียงสีทรงตัดหมดราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามการแสวงสะพมเทสนาว่าโอ้ขุมเนตรทุกรมมโคต หวังจะบรรลุมรรคผลนเดียวนเราก็ต้องตัดเช่นเดียวกันในอันแับแรกก่อนที่จะภาวนาไดทั้งหมดต้งคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ก่าฟังตายเป็นของเที่ยงชีวิตที่เราจะทรงอยู่ได้มานานไม่ฆ่าเราก็ตาย ถ้าเราตายอย่างคนมีภาระหมายถึงว่าตายอย่างคนมีห่วงห่วงในความรักห่วงในทรัพย์สินที่เรียกมาความโลภห่วงในกํากลังวัโทรศาสต์คือความโกรธคือนิจหวงคิดเราจะอยากยังไม่อยากตายถ้าจิตใจว่าเรายังมีความห่วงแบบนี้ ทำเอธิโดชา่าก็ไม่ได้ฉนั้นเราจะต้องตัดทงให้หมดทังทีวว่เวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดถึงแม่ว่าชีวิตริงๆ้อาจะขึ้นตัดใส่แเวลานี้ก็เป็ั ง, ง, นงนี้ววานเาะอะไรเพราะร่างกายเรามันเ็นไมด้ฟังสัตวรา ใช้ป ha. <lad> <na> ัญญาแล้วใช้ปัญญาด้วยปัญญามีไว้ื่อกันปัญญามีไว้ช่วยิดปัญญาัำการกายเราสะอาดะสุดดุกมันมีอุจาระปัสสวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองในข้อตัขหกต่างๆที่เราเมื่อเกิดมันมีอยู่ตามในร่างกายของเรา นี่ก็เม่ต้องคิดมากของที่มันลังไหลมาจากร่างกายหน้าร่างกายเขาจะกิดความสงบถ้าเนื้อร่างกายเขาเราจะอาจแล้สงบรนเมื่อร่างกายเขาเราสงบแล้วร่างกายเขาก็คนอื่นจะอาจและสงบเ่วนอันก็อยู่ในว่าทั้งเราและทั้งเขไม่มีใครสะอาจไม่ได้ความสงบหน้าร่างกายเต็มด้วยความโศก ถ้าเสร็จแล้วร่างกายของเราจะเหมือนกับฝ่ายชาเราดีๆที่ราฝังฝึกไว้แต่ถ้าเร็วเราให้ไกลจริงร่างกายของคนละคนก็เหมือนกับพ่วงเคลื่นที่ได้ไม่วาหาสติปัฏฐานสูตรฉันบอกว่าเมือนสิ่งโครโครที่เราใส่ไ้ในไทย พมื ja. ่อเราเกดตเาอยากข้างในเต็มไปด้วยสารอากสว่างใสอากาไรที like er dedicate, ่มุกุลราะปะบแต่เราาด้วยเาไว้ข้ามนอกมนเป็นข้าที่มีชีวิสดใทนงวทมนต์ที่ย้อนหลังผุ้งตาละสัตว์ส่างไสวไว้ช่วยโดยสมบัยของตนร่างกายของศัตรูเป็นในสภาพอย่างนี้ เม่อเราคิดว่าร่างกายขอราดีเราจะยังมีความรับผิดชอบกามาลงพรร่างกายของเดีหวัง่สองความโคตโดยความงงเดชผู้เกิดหนื่อยเ่เราเกดเมื่อร่างกายสงบไปหรับเป็นของรางเกียไม่ควร้าทำงหน้ารังเกียจเป็นสิ่งที่คงในการรังเกียจอย่างยิ่ง ยังก็เรียกงานนี้ว่าลาอเชิงกรสับกระสอกไม่ค่อยเป็นที่งานไทยเราไม่เคยมีความสุข้ารตะเวนเกิดถึงวันตายมันมีภาระสิทธที่จต้องทำอยู่เสมองานไายนอกต้องทำงานภายในก็ต้องทำงานไายนอกเรื่องการเดินสอบงานทัดทิณเรื่องเรียนี่ เพรว่คิดตัวเรื่อเนี่ยไม่ตรงตัวรือเปล่าอยากกินของหรืออยากกินของที่เจ็บมันแสหรือเปล่าล่ะของอนนี้รสอะไรยกินได้ก็ตามคือกินแล้วไม่แสไหมันเจ็บแค่ไหนสบายไหมถ้ามันตายไหมของกินอันนี้รสอร่อยกินได้ก็ตามกินแล้วก็แสกินก็เก็บกินก็ตาย คนที่กินของดีอคำวาดีก็ไอแฉนั้นแหละก็องที่กิเรานม่านันมันดีอะไรนั่นมันดีแค่แท้จริงมันไม่ีอะไรดีอาหารที่กิเาไปว่าคุณอาหานเปนารสกกหารที่เรินมามันมาจป็นสาสกปกปกตัวสกรกมีน้ำมีขาวมีเลือดทัเลือดัเหลืองนองเารปัสสาวะ แล้วก็เพื่อคนหลายที่เกิดมาไมากิของสกรกเองเพื่อเพมาเพื่อเพต่องำเพื่อกินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานการสกปรกเราเพื่อหลายแล้วมนจะสอารืล่ามันไสกรกเราก็จินของสกปรกไอร่างกายมันก็สกปรกมาจากพื้นฐานการสกปรก เมื่อเรากินเข้าไปแล้วอหารที่เรดี่มมันีการเปดใช้ในสมัยไหมมันแก้ได้หรือเปล่าก็แค้ไม่ได้แก่ความแสนได้ไ้ก็แก้ไม่ได้แก่ความตายได้หรือเปล่าก็ไม่มีอาหารตังไหนแก่ความตายได้ฉะนั้นเราจะนั่งมามชีวิตที่เราไม่ตายเพราะเหอะไรเจอตัดถึงกำลังใจว่าชีวิตินสไม่มีความหมาย มันมีความสกโรกและก็มีเพื่องเพื่อนโทมไปทุกวันมีความทุกข์ตลอดเวลาความเสียเป็นทุกข์ความสหายเป็นทุกข์ความปวดขยันสบายเป็นทุกข์แม้องค์ระสาทปาทเป็นทุกข์ใจระก็ะชั้นารมณ์เป็นทุกข์ทุกตัวไหนทุกข์ก็มีใร่างกายถ้าเราไม่มีแร่างกายจิตทั้งหลายแล้วนี่ม่จะมีได้อย่างไร ให้านาฬิในไม่มีความหมายไม่ใช่ออจะจะใชของดีสำหรับเร า, าวาเสนอไปังมาเพื่อให้ดได้คนดีสรางงาดีท่านเข้าเทวปฏิพันได้ให้วางาละรงายนี่นาฬไกาไม่เสียเราไม่ถึงเรามันเป็นท ก, ก, าากข์กำสดงธรรามันฟในที่สุดพเวลาเชื อ, องกเราถิ่มันก็ไม่ฟ เพอเวลาท่านลลายท่ตัดสินใจและเถลัย์ว่าช si ีว so, ิตเปียนสีไม่มีความหมายสำหรับเรามันมีความเสื่ยนและก็มีความพังในที่สุดในปกติที่สงบมันก็เป็นไปด้วยความทุกขึ้นชื่อว่าร่างกายที่กอบด้วยธาตุสีธาตน้ำธาตุดินธาตุลมธาตไฟ มีริงญาณภาพสมาสไปสึกจิตในบรรยากาศสุขภาพเราไม่จาดขนามันต่อไปการมีชีวิตแทกายเราต้องใช้าติชีวิชาติสุดท้ายต่อไปเราต้องใช้สื่อผลิตภัณถ้าชีวิตเป็นสื่อที่ใสอะไรสุดไม้ใส่ทายเราก็สื่อพลิตภัณฑ์ พิาอย่างนี้แล้วต่อไปมืใจต้องทำใจสงบให้เห็นว่าร่ายมันสับสจริงๆเมื่อฟังเปล่างแล้วก็จับจับก็คิดคิดกเเห็นเห็นว่าร่างกายมันจะเท็จจริงๆทุกเรื่อแยไปเม่อตอนที่มายร่างกายมันตายจริงๆ เรแลเราไม่ร่างกายโดยด้วยจะไ้เกิดใหม่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไม่ดีไปแล้เราไม่เกิดต่อไปนิพพานถ้าลทด่จไปนิพพานได้มันมีรมดุจคือไม่โ่งใยร่างกายชีวิตติณีนิยลดังสลายก็ทํางมันท่านหลับท่านต้องเห็นว่าร่างกายนี้ม่นเป็นของคุณพะปกไจ่เปนคม่ชายเพรานาคาอย เมื่อชีวิตตื่นเต้กายไม่มีความหมายมันไม่เกลียวไม่จุดล่าเรีมันกท่าเมื่อใจลกพับอรหารเมื่อจะ่งไหลที่ตนามแบบนี้ไห้จิตใจทุ่มเทนทางความเป็นจริงหลังจากนั้นก็จับอนาพานนิพพติสมบัติพลลงให้ใจเขาออกให้ใจสบายสบายพนาไปโดยไม่รู้ในนเรื่องอะไรสมบุ ภาวนาว่นามาัคคทาหลังจากนั้นแล้วขณะที่เขาจะเข้าไปสอบถามทุกคนของทางลมเหมือนกันทามคนใดคนหนึ่งจะถือว่าถามเราตอนนี้เขาจะถามตอนนั้นทิ้งคำภาวนาให้หมดห้าจิตกำหนดต่างคำถาม ham ว่ามโนนี้ที่แปลว่าไม่ไดขันใจอันแหละแท้เพราะเราสร้างเหตุสมมุติถ้าถามว่าเวลานี้เวลามุนนี้ไมเคยอยู่กับขันนี้ได้ยังไงถ้าลใจว่าเราเวลานั้นทรงระมิ้นเฉๆแล้วคิดว่าเหลานี้เราเป็นเวลามันี้แล้วแล้วก็หาคำตอบคําไถามเราแตถามผูาอืา่นต้องไ้อกถามเราด้วย เ้วก็คิดหาคำตอบมันตอบตรงกับเขาแล้วไม่ตรงไม่สำคัญโดยกระดาษไม่แล้วก็ถามว่าอย่างไงให้เลื่อนปอไปนั่นไปแค่คนแนะนำคนที่ถามว่าให้ล ร, รงแบบไห น, นคิดแบบไห น, นแลวเราก็รูตัวเขาบอกเราด้วยแล้วก็ลรงแบบดหนคิดไปนั่นให้หรือไม่ต่างความเป็ น, น, นดีเท่านี้แหละนี่เขารีกว่ามโนยุทธ ต่อไปเมื่อจิตอารมณ์จาาังหวะสวิตช์นายฝันหายกันได้กําลังใจเสียคิดว่ามันเคลื่อนไปโดยที่เราคิดว่าเราเดาแต่ความจริงมันไม่ใช่ดามันเป็นของจริงมืง่อเกิด ค, ความสว่างสวัยกาลังใจจะตรงตัวต ค, ค, ค, ความเมื่อจินไมคิดก็จะกลายเป็ืเป็อของจริงเป็นของจริงหรือเป็นชั่นวนึ่งกตายเอง วันนี้เขาแนะ น, นำชนิดอริพัยขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงะำวงกิตให้มันกำหนดเรือดลมใจเข้าไปได้ออกไปทำอวันมาทะกิจนาทาวาจยาใสยต้อให้เวลาปลอดสีิบโมงมันจะหมดเลย